คำว่าผู้ละกายทั้งปวงแล้วความว่ารู ป, ปกายอันมีในปฏิสนธิทั้งหมดบุคคล น, นั้นละได้แล้วรู ป, ปกายอันบุคคล น, นั้นละแล้วด้วยการก้าวล่วงด้วยอำนาจตะทางข้าประหารและวิขำพระณะประหารเครียกว่าเขาเนี่ยไม่ต้องเกิดตอนนั้นนะไม่ต้องเกิดในรูปปาวจรพบอีกแล้วไม่ต้องเกิดในพบที่มีรูปอีกต่อไปเพราะฉะนั้นคลายมหาพูดออกได้แล้วนะคลายมหาพูดด้วยอรูปอรูปสมาบัติเนี่ย เขาเข้าถึงอากินจัญญา ส, สมาบัติว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีเนี่ยนะอันเป็นชื่อของอากินจัญ ญ, ญายตนาสมาบัติว่าถามว่าเพราะเหตุไรอากินจัญ ญ, ญายตนาสมาบัติจึงชื่อว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีก็คือตอบว่าบุคคลเป็นผู้มีสติเข้าวิญญาณอันใจยตนาสมาบัติออกจากสมาบัตินั้นแล้วไม่ยังวิญญาณนั้นแหละให้เจริญให้แจม่มให้แจ้ง ให้หายไปย่อมเห็นว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งย่อมไม่มีเพราะเหตุ น, นั้นอากินจันยายยตนสมาบัตจึงชื่อว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีไอคําว่าอะไรอหน่อยหนึ่งไม่มีนี่หมายถึงว่าจิตเจตสิกไม่มีคนที่เข้ากามรูปรูปฌานได้เนี่ยนะออกจากรูปฌานแล้วก็เพิกกสินแล้วก็ใส่ใจในอากาศแล้วก็มีอากาศนั่นแหละเป็นอารมณ์ก็ทําให้เข้าฌานได้อย่างไงเรียกว่า อาการสาัญจจยตนะทีนี้ถ้าออกจากอาการสาัญใจยตนะแล้วมากําหนดอาการสาัญใจยตนะนั่นแหละเป็นอารมณ์ว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดนนะวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ก็เข้าวิญญาณัญใจยตนะทีนี้ไม่ใส่ใจในจิตเจตสิกเหล่านั้นว่าไม่มีจิตเจตสิกที่เป็นอากาศสาแม้แต่หน่อยหนึ่งก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนัตถิกินจินัตถิกินจินนนะนัตถิกินจิก็แปลว่า นั่นแหละได้อากินจัญญายตนาสมาบัติพันฆ่าแต่พระส ก, กะฆ่าพระองค์ขอทูลถามถึงยานคือฆ่าพระองค์ขอทูลถามถึงบุคคลผู้นั้นว่าเช่นไรดํารงอยู่อย่างไรมีประการไรมีส่วนเปรียบอย่างไรอันบุคคล น, นั้นพึงปรารถนา คำว่าบุคคลเช่นนั้นควรแนะนำอย่างไรเนนะี่ยใครคนที่ได้อากินจัญญายตนาสมาบัติแล้วสอนเข้าต่อไปอยังไงความว่าบุคคล น, นั้นควรแนะนำควรนำไปให้วิเศษควรนำไปให้ยิ่งควรให้รู้ทั่วควรให้พินิษควรให้พิจรารณาควรให้เลื่อมสายอย่างไรและยานที่ยิ่งไปนั้นอันบุคคลพึงให้เกิดขึ้นได้อย่างไรเนนะี่ย จะแนะนาคนนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอย่างไรบุคคลเช่นนั้นก็คือผู้ได้อกินจัญญายตนะสมาบัตินั้นสรุปคำถามว่าข้าแต่พระส ก, กะข้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณของบุคคลผู้มีรูปสัญญาอันผ่านไปแล้วละกายทั้งหมดแล้วเห็นอยู่ทั้งภายในและภายนอกว่าอะไรอะไ ร, ะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีบุคคลนั้นควรแนะนำอย่างไรนะเรียกว่าผ่านรูปประชานทั้งหมดละรูปประกายได้ทั้งหมดเนี่ยนะ เข้าอากินจันยายยตนะสมาบัตได้สอนเขาอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนโปสาละตถาคตรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณทิติคือภูมิเป็นที่ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนะทั้งหมดย่อมรู้จักบุคคลนั้นว่าพวกปฏิสนธิจิตกับปฏิสนธิรูปเป็นยังไงนะเมื่อตั้งอยู่แล้วพ้นวิเศษแล้วมีสมาบัตนั้นเป็นเบื้องหน้า คือผู้ที่จะพ้นจากวิญญาณทิติได้จริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์ก็รู้หมดนะนะนปฏิสนธิทั้งหมดในทุกขนทุกแห่งพระองค์รู้หมดแหละบางอธิบายว่าคําว่าวิญญาณทิติทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบวิญญาณทิติ4ด้วยสา ม, มารถอภสิสังขารย่อมทรงทราบวิญญาณทิติ7ด้วยสา ม, มารถปฏิสนธิคือวิญญาณทิติเนี่ยนะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นกรรมกับกลุ่มที่เป็นวิบาก กลุ่มที่เป็นกรรมเนี่ยมี4ประการเรียกวิญญาณทิติ4ส่วนกลุ่มที่เป็นวิบากหรือปฏิสนธิเนี่ยนะเรียกว่าวิญญาณทิติเจ็ดวิญญาณทิติ4กับวิญญาณทิติ7วิญญาณทิติ4เป็นกรรมวิญญาณทิติ7เป็นวิบากพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบวิญญาณทิติสด้วยอภิสังขารอย่างไรสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายวิญญาณยึดรูป ตั้งอยู่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องส่องเสพย่อมตั้งอยู่ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูร์ก็คือกรรมวิญญาณนะนะเวลาเกิดขึ้นทํากรรมก็มีรูป เ, เป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นอารมณ์นี่ก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ี่อย่างเนี่ยเป็นอารมณ์อันนี้เรียกว่ากรรมวิญญาณเพราะพระองค์เนี่ยสร้งรู้รู้กรรมวิญญาณ น, นะวิญญาณที่ที่ตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอ่อรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งมีสังขารเป็นที่อาศัยมีมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องส่องเสรตั้งอยู่ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพ่ปูนพูดง่ายๆก็ตรงไหนบ้างเราไม่เข้าไปทํากรรมอ่ะ น, นะนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งกรร ม, มวิญญาณทั้งหมดถ้าว่าโดยชาวนาทั่วๆไปนะรับรู้ที่ไหนตรงนั้นเป็นกรร ม, มวิญญาณ ไอ้อตัวรับรู้นะไอ้อตัวรู้ตัวที่เข้าไปรู้เป็นกรรมวิญญาณทั้งหมดเลยนะเว้นจิตชาติด้วยบากธรรมดา ท, ทั่วไปเนี่ยงง่ายๆว่าอะไรม้างเราไม่เข้าไปทํากรรมเอาไว้ในนี้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะโดยเฉพาะกรรมวิญญาณเนี่ยไปนึกเอาเรื่องไหนมาคิดเนะี่ยเรื่องนั้นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมวิญญาณแล้วเนี่ยนะขณะนั้นก็เป็นกรรมวิญญาณแลนะ้วทีนี้เมื่อทํากรรมในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะ ตัดตันหาไม่ได้ผลก็คืออะไรผลก็คือวิญญาณทิติเจที่เป็นปฏิสนธิมันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบวิญญาณทิติเจอย่างด้วยสา ม, มารถแห่งปฏิสนธิเนี่ยเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสัตว์เหาหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์พวกเท ว, วดาบางพวกวินิบาตบางหมู่นี่เรียกว่าวิญญาณทิติข้อที่หนึ่งะนะกายต่างกันปฏิสนธิจิตก็ต่างกันเช่นมนุษย์เนี่ย ร่างกายนี้ไม่มีใครเหมือนกันสักคนเลยถึงเหมือนในสีหน้าเป็นต้นแต่ก็กิริยาการลุกการยืนเป็นต้นก็ไม่เหมือนกันและปฏิสนธิก็ต่างกันเนี่ย น, นะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยปฏิสนธิด้วยมหาวิบาก8หรือเหตุกะกุศลวิบากปฏิสนธิอีกหนึ่งอย่างงี้ยนะก็ปฏิสนธิเกมนุษย์เนี่ยปฏิสนธิจิตก็ต่างกันรูปร่างกายก็ต่างกันเทวดาการมาวจรก็เหมือนกันรูปก็ต่างกันปฏิสนธิจิตก็ต่างกัน วินิบาตคือเปรตบางพวกเนี่ยนะเป็นตีเหตุกะปฏิสนธิกลุ่มเปรตนะเราวินิบาตบางพวกเนี่ยพวกที่เป็นติเหตุกะปฏิสนธิก็มีพวกตีเหตุกะปฏิสนธิเนี่ยบรรลุได้เนี่ยนะอย่างที่สองมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันก็เช่นพวกพรหมปฐมมชานภูมิเนี่ยนะร่างกายของพรหมปฐมมชานภูมิจะเหมือนกันเนี่ยนะเอะเอขออภยัย พรมในชั้นกาณาปฐมมชานเนี่ยนะร่างกายเนี่ยต่างกันแต่ปฏิสนธิจิตเหมือนกันเรียกว่าผู้ที่ได้ปฐมมชานเนี่ยแบ่งเป็นสามกลุ่มอย่างเลวอย่างกลางและอย่างประณีตอย่างเลวก็สักแต่ว่าได้อะ่ะพวกนี้สักแต่ว่าได้พวกนี้จะเป็นพรมมะปริสัชชาพวกที่ชํานาญในปฐมมชานระดับหนึ่งอะนะสามารถรักษาปฐมมชานทรงอยู่ในปฐมมชานได้พวกนี้เป็นพรมะ ปรหิตาส่วนพวกที่ได้ปฐมฌานจนชำนาญมุ่งจะได้ทุติยฌานนะแต่ยังทาทุติยฌานไม่ได้พวกนี้เไปเกิดก็เป็นมหาพรหมเพราะฉะนั้นพวกพรหมพวกนี้มีกายต่างกันแต่ปฏิสนธิจิตเหมือนกันเนนะเพราะด้วยปฐมฌานเหมือนกันส่วนอย่างที่สมเนี่ยนะสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันเช่นพรหมชั้นอาภัสระเนี่ยนะพรหมชั้นทุติยะฌานเนี่ย กายก็มีรัศมีซ่านออกจากตัวเหมือนกันแต่ว่าบางพวกก็ยังบางพวกยังมีวิจารบางพวกไม่มีวิจารเนี่ยนะส่วนอย่างที่สีมีกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันก็พวกสุภกินหานะพรหมจะตุทธชานเนี่ยพวกนี้ร่างกายกับปฏิสนธิจิตเหมือนกันส่วนวิญญาณทิติ 4, ข้อที่ห้าก็คือพวก ล่วงรูปประสัญยาดับปฏิฆาสัญญาไม่มนาสิการนานาตะสัญญาโดยประการทั้งปวงเข้าอากาศสานัญจายตนะฌานด้วยมนาสิการว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้พันวิญญาณทิ่ติข้อที่5ก็คืออากาศสารัญจายตนะ วิญญาณทิฏฐิข้อที่6ก็คือวิญญาณอันจายตนะว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสัตว์เราหนึ่งล่วงอากาสารนันจายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงวิญญาณนันจายตนะฌานด้วยมรณสิการว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่6อันพวกวิวญญาณทิฏฐิที่หกในพวกนี้เป็นประเภทวิญญาณอัญจายตนะส่วนที่7ก็คืออากินจัญญายตนะสมาบัติเนี่ยนะอากินจัญญายตนะ พบว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราสัตว์เราหนึ่งเนี่ยล่วงวิญญาณัญจายตนะชาญโดยประการทั้งปวงเข้าอากินจัญ ญ, ญายตนะชาญด้วยมนณสิการว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีนี่เป็นวิญญาณทิติข้อที่7ที่8เนี่ยนะไม่เรียกว่าวิญญาณทิติเพราะว่าเนวสัญญาเนี่ยจะว่ามีจิตก็ไม่ใช่ไม่มีจิตก็ไม่ใช่อาศัสัญญสตว์ก็ตัดออกไปเพราะไม่มีปฏิสนธิจิต เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตข้อแรกก็คือมีกายต่างกันปฏิสนธิจิตต่างกันอย่างที่2องกายต่าง oui, แต่ปฏิสนธิจิตเหมือนกันอย่างที่สก็กายอย่างเดียวกันปฏิสนธิจิตต่างกันอย่างที่4ก็กายอย่างเดียวกันปฏิสนธิจิตอย่างเดียวกันข้อที่5ก็อากาษานัญจายตนะข้อ6วิญญาณัญจายตนะข้อ7ก็อากินจัญญายตนะ คำว่าอภิชาณังเนี่ยนะที่บอกว่าพระตถาคตเนี่ยรู้ยิ่งรู้แจ้งแทงตลอดอนนะส่วนคำว่าตถาคตตถาคตเนี่ยนะโดยศัพท์ก็หมายถึงว่าที่พระองค์ตรัสไปว่าดูก่อนจุนทะถ้าแม้เรื่องที่ล่วงแล้วไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เรื่องนั้นตถาคตก็ไม่พยากรณ์ คำว่าตถาคตเนี่ยนะเรียกว่าพยากรณ์ตามเป็นจริงอ่ะนะแม้กระทั่งจริงอ่ะนะเรื่องอดีตที่ผ่านมาถ้าไม่จริงไม่แท้ ê, ไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูดเรื่องที่ล่วงแล้วจริงแท้แต่ถ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ไม่พยากรณ์ไม่พูดเอกถ้าเรื่องที่ล่วงแล้วจริ ง, ทงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตย่อมรู้จักการที่จะพยากรณ์เรื่องนั้นจริงแท้มีประโยช น, ต olin, นยนะ์ต้องรู้เวลาหน่อยนะต้องรู้เวลาว่าเวลาไหนควรที่จะเอาเรื่องนั้นมาเล่ามาแสดง เรื่องในอนาคตที่จะมาถึงก็เหมือนกันเรื่องไรไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์อันนี้ไม่พยากรณ์แน่นอนเรื่องจริงแท้แต่ว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ไม่พยากร์แต่ถ้าเรื่องในอนาคตนะจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ก็รู้การที่จะพยากรณ์ส่วนเรื่องที่เป็นปัจจุบันก็เหมือนกันนะเรื่องที่เป็นปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันนี้ไม่พยากร์แน่นอนถ้าจริงแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ไม่พยากรณ์ จะพยากรณ์เฉพาะเรื่องจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่พระ อ, องค์รู้การที่จะพยากรณ์นั่นเงอันพระ อ, องค์ก็พยากรณ์ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นต้องจริงต้องแท้มีประโยชน์แล้วรู้การที่จะพยากรณ์ถ้าต่างจากนั้นไม่พยากรณ์ดูก่อนจุนทะด้วยเหตุดังนี้แลตถาคตเป็นผู้กล่าวโดยกาละอันควรเนี่ยนะกาลวาทีเนี่ยนะรู้การที่ควร สัจวะทีพูดจริงอันนะอตถวาทีพูดอิงอัตรธรรมวาทีกล่าวอิงธรรมวิเนยะวาทีกล่าวอิงสังวรวินัยกับปหานวินัยในธรรมทั้งหลายนะทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเพราะฉะนั้นตถาคตจึงเรียกบัณฑิตจึงเรียกว่าเราเป็นตถาคตก็รู้เวลาที่จะแสดงนะสิ่งที่แสดงเนี่ยต้องกล่าวโดยการและอันควรเป็นเรื่องจริงเรื่องอิงอัตอิงธรรมอิงสังวรวินยัยปหานวินยัยเนี่ยนะจึงจะเอามาแสดง คําว่าตถาคตก็เรียกว่ารู้จักพยากรณ์เนี่ยนะรู้จักพูดนะนะหรือพูดเป็นะนะพูดเป็นยังเรียกว่าตถาคตดูก่อนจุนทะอายตนะใดแลอันโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกอันหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เห็นแล้วได้ยินแล้วทราบแล้วรู้แจ้งแล้วถึงแล้วส่อหาแล้วพิจารณาแล้วด้วยใจตถาอายตนะทั้งหมดนั้นตถาคตรู้พร้อมเฉพาะแล้ว คือทุกอายตนะเนี่ยพระองค์รู้หมดนะไม่ว่าอายตนะนั้นจะเป็นอะไรที่อย่างมนุษย์เทวดาสพัพพสัตต์ทั้งหลายที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกรับรู้นะอายตนะทุกอารมณ์นั้นอนะ่ะพระองค์รู้ด้วยรู้หมดนะนะอย่างสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่ดวงอาทิตย์สองอันไหนมากกว่ากันก็สิ่งที่ดวงอาทิตย์สองเนี่ยมากกว่าฉันใดสิ่งที่สัตว์รู้นะก็อย่างละเน็กอย่างละน้อยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญาประดุดแสงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเนี่ยนะพระองค์ศาสตร์สองรู้หมดอนะ่ะ แล้วก็ไม่ใช่รู้เฉพาะที่ที่ปัจจุบันเท่านั้นแม้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนี่ยอย่างรู้หมดดูก่อนจุนทะตถาคตย่อมตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและตถาคตย่อมปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในราตรีใดะตถาคตยอ่ย อ, ยตตตยอมกล่าวบอกเล่าแสดงเรื่องใดในระหว่างนั้นเรื่องทั้งหมดนั้นอ่ะเป็นเรื่องจริงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยนะ ไม่ว่าเรื่องไหนพระองค์ก็รู้หมดะนะรู้รู้อย่างถูกต้องจริงแท้หมดอ่ ะ, อะโดยเฉพาะคำสอนเนี่ยนะพูดถึงคำสอนเนี่ยแรกตรัสรู้จนถึงปรินิพานสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้เป็นเรื่องที่ที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเล ย, เ น, ยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่กำจัดราคะโทสะโมหะได้จริงเนี่ยนะก็ลองนะว่าใครไปปฏิบัติสูตร ตามสูตรคือพระไตรปิฎกเนี่ยถามละราคะได้ไหมละโทสะได้ไหมละโมหะได้ไหมถ้าปฏิบัติได้ตามกะเบียดนิ้วตามนั้นหมดเนี่ยนะละได้อยู่แล้วเนี่ยนะละได้อยู่แล้วนี่คือความแน่นอนของคําสอนเพราะคําสอนที่ที่ถือว่าอาศัศจรรย์ที่สุดคือคอําสอนที่สา ม, มารถกําจัดราคะกําจัดโทสะและกําจัดโมหะได้เรียกว่าคําจรคําสอนที่อัศจรรย์ๆๆที่สุดแต่ถ้าคําสอนใดถ้าเป็นไปเพื่อราคะโทสะโมหะนะคำสอนสๆๆสอนั้นไม่ได้อัศจรรย์อะไร มไม่ใช่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า